มีกายที่ได้พัฒนาแล้วดังได้กล่าวแล้วว่าถึงแม้ในพระไตรปิฎกจะมีพุทธพจน์ที่ตรัสถึงภาวิตากายเป็นต้นหลายแหง่งแต่ไม่มีคำอธิบายเหมือนว่าผู้ฟังรู้เข้าใจอยู่แล้วแต่บางครั้งมีคนภายนอกโดยเฉพาะพวกเดียรถีนิครณ ยกเรื่องนี้ขึ้นมาพูดตามความเข้าใจของเขาจึงเป็นเหตุให้พระพุทธเจ้าตรัสอธิบายในพระสูตรชื่อว่ามหาสัจจกสูตรมัชฌิมนิกายมุลปานาตมีเรื่องที่เป็นเหตุปรารพทํานองนี้จึงขอยกมาเล่าเป็นตัวอย่างและในพระสูตรนี้มีเฉพาะภาวิตากายมากับภาวิตจิตเพราะฝ่ายที่ยกเรื่องขึ้นมาพูดเฉพาะสองพาวิตรนี้ เรื่องมีว่าเช้าวันหนึ่งสัตจกะนิครนทบุตรผู้มีชื่อเสียงเด่นดังมากอัถกถานิยมเรียกว่าสัตจกะนิครนเป็นอาจารย์สอนบุตรหลานของเจ้าลิชวีแห่งแคว้นวัชชีเดินมาที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ได้พบและสนทนากับพระพุทธเจ้าก็ เ, าเริ่มต้นโดยยกเอาเรื่องกายภาวนาการพัฒนากายและจิตตภาวนาการพัฒนาจิต ขึ้นมาพูดและกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าตามความคิดเห็นของเขาเราทาว่ของพระองค์เอาแต่กรรมกระเม่นประกอบจิตภาวนาแต่ไม่ประกอบกายภาวนาคือเอาแต่พัฒนาจิตไม่พัฒนากายการที่สัตจากในครนแสดงทศนะขึ้นมาอย่างนี้อัตถคถาบอกภูมิหลังว่าเพราะเขาเห็นพระพิสุพากันดีรั้นอยู่ในที่สงบ ไม่มีการทรมานร่างกายเมื่อเขาแสดงความเห็นออกมาอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็ตรัสถามว่าแล้วตามที่เขาเรียนรู้มาการยัภาวนาหรือการพัฒนากายคืออย่างไรสัจจการิครนก็ยกตัวอย่างการบำเพ็ญตบะหรือพราะต่างๆในการทรมานร่างกายที่เป็นอตตะกิลมะถานุโยคว่านั่นแหละคือการยัภาวนาพระพุทธเจ้าตรัสถามต่อไปว่าแล้วจิตตภาวนาละ่ะ เขาเรียนรู้มาว่าเป็นอย่างไรตรงนี้สัตจจการิคนไม่สามารถอธิบายได้พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าแม้แต่กายพภาวนาที่เขาบอกมาก่อนนั้นก็ไม่ใช่กายพภาวนาหรือการพัฒนากายในแบบแผนของอาริยชนหรือในอาริยวินัยนี่แม้แต่กายพภาวนาเขายังไม่รู้และเขาจะรู้จักจิตพภาวนาได้จากที่ไหนจากนั้น จึงตรัสบอกให้สัจจกนิกริรนฟังคำที่จะส่งอธิบายว่าอย่างไรไม่เป็นภาวิตากายไม่เป็นภาวิตจิตและอย่างไรจึงจะเป็นภาวิตากายอย่างไรจึงจะเป็นภาวิตจิตดังจะยกความตอนที่เป็นสาระสาคัญมาดูในพุทธพจน์พระองค์จะตรัสเรียกสัจจกนรครนว่าอัิเวสณะคือเรียกตามชื่อโคตรหรือนามสกุลของเขาพุทธพจน์ในตอนนี้ มีดังนี้แนอกิเวสนะอย่างไรจึงจะเป็นภาวิตากายและเป็นภาวิตาจิตอริยสาวกในธรรมวิเนยนี้ผู้ได้เรียนสดับมีสุขเวทนาเกิดขึ้นถึงจะได้สัมผัสกับสุขเวทนาเขาก็ไม่ติดใคร่ใฝ่กระสันในสุขไม่ถึงความเป็นผู้ติดใคร่ายกระสันในสุขเวทนา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 ก็หาได้ครอบงำจิตตั้งอยู <S ilt> ่ไม่เพราะเหตุที่ได้พัฒนาจิตแล้วทุกขเวทนาถึงแม้เกิดขึ้นก็หาได้ครอบงำจิตตั้งอยู่ไม่นี่แนะอคิเวสนะสำหรับอรยสาวกผู้หนึ่งผู้ใดสุขเวทนาถึงแม้เกิดขึ้นก็ไม่ครอบงำจิตตั้งอยู่เพราะเหตุที่ได้พัฒนากายแล้วทุกขเวทนาถึงแม้เกิดขึ้น ก็ไม่ครอกนำจิตตั้งอยู่เพราะเหตุที่ได้พัฒนาจิตแล้วครบทั้งสองข้างอย่างนี้แลอคิเวสณะบุคคลจึงเป็นภาวิตากายและเป็นภาวิตาจิตดังได้กล่าวแล้วว่ากายภาวนาการพัฒนากายนี้ความหมายหลักบอกว่าเป็นการพัฒนาปัญจทวาริค ก, กายคือกายด้านผัสสะทวารห้าหรืออินรี่ห้า ได้แก่ตาหูจมูกลิ้นผิวกายพอพูดถึงตรงนี้การพัฒนากายก็แท่จะเป็นคำเดียวกับการพัฒนาอินทรีย์หรือว่ากายพาวนาก็น่าจะได้แก่อินทรียพาวนานั่นเองการพัฒนาอินทรีย์ก็เริ่มด้วยหลักอินทรียสังวรที่พระพุทธเจ้าตรัสเน้นอย่างมากในการศึกษาของผู้เข้ามาบรญชาในพระธรร ม, มวินัยเรียกว่า เป็นการฝึกขั้นต้นต่อเนื่องไปกับการฝึกด้านศีลในยุคอัท ธ, ธกถานิยมเรียกเป็นศีลหมดหนึ่งว่าอินเสียสังวรศีลจึงขอให้ดูหลักขั้นเบื้องต้นนี้ก่อนดังตัวอย่างพุทธพจน์ในสามั ญ, ญผลสูตรทีคณิกายศีลขันธวัชพระพุทธเจ้าตรัสกับพระเจ้าอาชาติศัตรูว่าดูกระามหาบอผิอย่างไรภิกษุจะชื่อว่า เป็นผู้คุ้มครองทวานในอินทรีย์ทั้งหลายดูกรามหาบอพิธพิกษุในธรรมวิเนนี้เห็นรูปด้วยตาแล้วไม่ถือติดนิมิตไม่ถือติดภาพรวมไม่ถือติดอนุพยัญชนะไม่ถือติดส่วนย่อยเธอปฏิบัติเพื่อสํารวมอินทรีย์คือจักสุที่เมื่อไม่สํารวมแล้วจะเป็นเหตุให้อกุศลธรรมอันสาม คืออภิชาความติดใคร่ชอบใจและโทมนั์ความขัดเคืองเสียใจครอบงําเธอรักษาจากขุนศีเธอถึงความสํารวมในจากขุนศีฟังเสียงด้วยหูดมกลิ่นด้วยจมูกลิ้มรสด้วยลิ้นถูกต้องโผลทัพพะด้วยกายรู้ธรรมารมณด้วยใจแล้วก็เช่นเดียวกันภิกษุนั้นผู้ประกอบด้วยอินทสียสังวรอันเป็นอรยะนี้ ย่อมได้เสวยสุขอันล้วนไ ร, ร้ละคนไม่เจือกิเลสในภายในอย่างนี้แหลมหาบาพิษภิกษุชื่อว่าเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายอินทรียสังวรนี้ยังเป็นขั้นของผู้ฝึกหรือเริ่มศึกษายังไม่ใช่ขั้นของพระอรหันต์ซึ่งเป็นภาวิตินรีย์ผู้มีอินทรีย์อันได้พัฒนาแล้วที่จะจัดเป็นภาวิตากายแต่นี่ยกมาให้ดู เพื่อได้รู้เห็นตามลำดับยังมีอินสียสังวรที่ลึกลงไปหรือที่ตรัสอีกแนวหนึ่งโดยตรัสไว้ในกุลทลิยาสูตรสังยุตติกายมหาวาระวัตกก็ขอยกมาให้ดูเพื่อเทียบกันด้วยเรื่องนี้ตรัสแก่กุลทลีปริภาชกผู้ได้มาเฝ้าที่อัญนชนะวันในเขตเมืองสาเกตมีความตอนนี้ว่าดูกะกุลทลี อินเซียสังวรอันบุคคลเจริญแล้วกระทําให้มากแล้วอย่างไรจะยังสุจริตสามให้บริบูรณ์ดูกระกุลทะีภิกษุในธรรมวิัยนี้เห็นรูปที่น่าชอบใจด้วยจักโุแล้วไม่ติดใครไม่เหิมใจไม่ก่อราคะให้เกิดขึ้นและกายของเธอก็คงตัวจิตก็คงตัวมั่นคงดีในภายใน ปลอดพ้นไปด้วยดีอันหนึ่งเธอเห็นรูปที่ไม่น่าชอบใจด้วยจักสุแล้วก็ไม่ขัดเขินไม่กระด้างใจไม่บีบใจไม่ขุนเคืองแขนใจและกายของเธอก็คงตัวจิตก็คงตัวมั่นคงดีในภายในปลอดพ้นไปด้วยดีอีกประการหนึ่งภิกษุฟังเสียงด้วยหูดมกลิ่นด้วยจมูก ลิมรสด้วยลิ้นถูกต้องโพธิภพด้วยกายรู้ธรรมารมด้วยใจแล้วก็เช่นเดียวกันดูกร ะ, ระกุนทลีอินเซียสังวรอันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วอย่างนี้แหลย่อมยังสุดจริตสามให้บริบูรณ์อินทซียสังวรนี้เมื่อทำให้มากแล้วจะทำสุดจริตสามให้บริบูรณ์สุจริตสามนั้นทาให้มากแล้ว จะทำสติปัฏฐานสี่ให้บริบูรณ์สติปัฏฐานสี่นั้นทำให้มากแล้วจะทำพ่องเจตให้บริบูรณ์และพ่อจงเจตนั้นทำให้มากแล้วจะทำวิ ช, ชาและวิมุติที่เป็นลานิสงสุดท้ายให้บริบูรณ์